เรื่องพิธีเทราพิเศษสิหวันที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสระหว่างที่ท่านเดินทางย้ายจากจังหวัดอุดรธานีมาอยู่ที่จังหวัดสกล น, นครในปีพุทธศักราช2485มีเหตุการณ์ที่คนนํำมาเล่าคือเรื่องเทราพิเศษภาษาอีสานเรียกว่า กองฮดฮดมาถึงรถหรือเทราชลงไปคือนำพระไตรมาแล้วมีการส่งน้ำพระสงฆ์ที่เคารพนับถือถวายบริคารใหม่สมมุติเป็นสมเด็จพระอุปชาเป็นครูคือราชครูลาบหนึ่งลาบสองไปเรื่อยๆชาวสกลนครได้นำไตรจีวรจะมาฮดมาสงท่านพระอาจารย์ไม่ยอมรับ ท่านอธิบายว่าเป็นประเพณีที่มาจากเวียงจันทร์ที่อื่นไม่มีรังพุทธการไม่มีและพวกญาติโยมจะมาแต่งอัตมาให้เป็นอะไรอีกเป็นพระอัตมาก็เป็นแล้วพระสงฆ์อุปชาอาจารย์แต่งให้แล้วเป็นพระโดยสมบูรณ์คณะสงฆ์รับรองแล้วพระพุทธเจ้ามีใครไปฮดไปสง์ให้เป็นพระพุทธเจ้าบ้าง ไม่มีพระองค์ตรัสรู้เองพระสาวกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หดไม่ได้สงทั้งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วได้บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มีอํานาจกว่าแล้วจะมาหดมาสง์แต่งอัตมาให้วิเศษกว่าพระพุทธเจ้าหรืออันเรื่องเถราพิเศษหรือคดสงนี้เป็นคติยะประเพณี สำหรับอาภิเศกแต่งตั้งพระมหาสังฆนายกสมเด็จพระสังฆราชตังหากมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยไม่ใช่ของราษฎรบุคคลสามัญจะทำกันทางเวียงจันทร์ก็ทำเหมือนกันครั้นราษฎรสามัญเห็นเข้าขออนุญาตให้ราษฎรทำบ้างก็เลยเป็นประเพณีส่วนพระผู้ถูกคดถูกสงก็ไม่เห็นว่าวิเศษ ได้สำเร็จอะไรศึกหาลาเพศไปมีครอบครัวมีกิเลสถมเทไปไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรแล้วพวกท่านเป็นคารวะอัตมาเป็นพระตักน้ำมาหดหัวอัตมาหดหัวอัตมาเป็นสังฆังสรนังคชามิของพวกท่านแทนที่จะได้บุญกลับเป็นบาปเสียอีกมีโยมคนหนึ่งพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้น วัตถุทานนี้ท่านไม่รับจะทำอย่างไรท่านก็บอกว่าถวายสงสิพระสงฆ์นั่งอยู่นี่เต็มไปหมดโยมได้กราบเรียนถามว่าถวายสงฆ์ทำอย่างไรใครเป็นประธานก็ถวายองค์นั้นอตมาไม่ใช่ประธานนะอตมาพระจอ์มาอาศัยชั่วคราวก็ท่านมหาเสง่เล่า คือพระอริยคุณาทานเสงปุดโสจะถวายต่อมือท่านก็ได้วางไว้ต่อหน้าก็ได้เป็นบางสุกุณได้บุญมากท่านว่ากล่าวคําถวายไหมโยมถามอีกท่านว่ากล่าวทำไมมนุษย์รู้เรื่องกันอยู่วางไว้ข้างหน้าก็พอแล้วจะรับพรหรือไม่รับก็ได้บุญแล้ว ได้ถวายท่านแล้วถ้ายังสงสัยก็เอาคืนไปโยมวางวิเศษก็เป็นอันยุติหมายเหตุคำว่าสงคือสังฆะหมายถึงหมู่หรือชุมชนคำว่าถวายสง ก็คือถวายเป็นสังฆทานโดยในยาว่าถวายเป็นของส่วนรวมแก่หมู่ภิกษุสงฆ์โดยไม่ได้จอดจงพระรูปใดรูปหนึ่งเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพื่อให้เห็นว่าประเพณีที่สืบต่อกันมานั้นถ้าไม่เกิดประโยชน์และเกิดโทษก็ควรยกเลิกไม่ควรตามใจชาวบ้าน